เอามันเป็นยังไงวะอันนี้มันก็เป็นมันมันมันก็เป็นรูปเปรียบมันเรื่อมันเรื่องภาวนามันคืดมันกระขัดภาวนานี่ยกล่าวไม้ก็มาให้คิดให้มันเบึ้งให้มันคัะขัดอย่างันพยายามอย่ารีบอย่าร้อนอย่าซ่าเกินไปอย่ารีบเกินปไปค่อยๆทาแต่ว่าจุดมันมีอยู่จุดมันมีนยู่ถ้ามันออกถ้ามันเป็นรูปเปรียบมามันจะออกออก โดยวิธีอย่างนั้นโดยมากก็ทุกคนนะมันยากที่เราออกมาปฏิบัตินี่ไม่ใช่อะไรนะแต่มันยากนะมันอยา ก, นะ ย, ากยากนี่มันก็บนก็ความหลงอะนะ่่นอืละยากนี่มันยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญายัางั้นความอยากนี่ทัจนจริงเลยว่ามันเป็นวารามีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ่ะ คนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาละงับความอยากเนี่ยความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รว่าจะทำอะไรเราพิจารณาดูกันนะ่ะทุกคน <c oughs> ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตาม <c oughs> ท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทาเกียดทั้งหลายนั่นะ แต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบแล้วก็ไม่อยากให้มันบุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคท้งนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากว่าเราถอดใจความจริงๆแล้วนะ่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนะี่ยถึงจะรู้อะไรมาก็ช่างมันเถอะครับแต่ไม่มีความฉลาดในการกระทาอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยาก อยากอยากออกมาปฏิบัติให้มันสงบไม่อยากจะให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้มันเป็นทุกข์ <c oughs> อยากทั้งสองอย่างนี้ <c oughs> มีราคาเท่ากัน <c oughs> อยากจะพ้นทุกข์ <c oughs> มันก็เป็นกิเลสสำหรับที่บุคคลที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ <c oughs> ไม่อยากไม่อยากมันก็เป็นกิเลสไม่อยากอันนั้นมันประกอบไปด้วยความโง่เหมือนกัน คืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีเนี่ยนักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นการมสุ ข, ขันนิก า, นโยโตตยายโยโคอัตตะเยธมัทาโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเรานะ่ะอืมที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านขลงมาในตอนนี้เองอในรูปว่าจะไปทำยังไงหลายประการที่ทานหาอุบายแกไปพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกัน จริงทั้งสองอย่างนี้นะมันกวนอยู่เราจริงลงทางมันไม่ได้เพราะอันนี้ให้ความเป็นจริงนั่นก่อนทุกคนจะมาปฏิบัตินั่นครับมันต้องเป็นผู้ตุชนมาเดิมพันมันเป็นผูุ้ชนมาผูุ้ชนมามันต้องประกอบไปด้วยความอยากไอ้ความอยา ก, ายากที่ไม่มีปัญญาอยากเกิดความหลงไม่อยากนี้มันก็มีโทษเหมือนกัน คำที่ว่าไม่อยากนี่มันก็เป็นตันหาเหมือนกันคำที่ว่าอยากนี่มันก็เป็นตันหาเหมือนกันนี่ที่นี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องมันว่าจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกนะจะหยุดก็หยุดไม่ได้เก็เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่อยากเมื่อไรนั่นก็เห็นแต่ความอยากปัญญาไม่มีมันอยากเป็นความหลงมันก็เป็นตันหา ถึงแม้ไม่อยากนะั้นมันก็มันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตันหาเหมือนกันเพราะอะไรมันขาดปัญญาอืไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็ไอ้ความอยากนะ่ะทั้งสองอย่างนี้น่ะหรือวความไม่อยากนี่ครับธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่มีปัญญาเราก็พยายามไม่ให้มันอยากอย่างหนึ่งก็อย่าให้อยากเป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้ น, น, นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยครับมันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวอื่นอืถ้าหากว่าเราทั้งหลายนี่ยไม่รู้เรื่องมันนะอืไม่รู้เรื่องเสียงทั้งสองนี่แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะชาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกัน อยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยๆคำที่ว่าไม่อยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นะมันวูบเบียเท่านั้นมันก็หายไปแล้วดังนั้นความอยากหรือความไม่อยากนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็เลยอยากไม่มีอุปทานไม่อยากก็ไม่อยากนั่นนะ่ะก็ไม่มีอุปทาน เป็นศักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามส่วนความจริงมันก็เป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะคุบมันอยู่ที่ไกลๆนี่มันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจารณานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นหรอกมันรู้ตรงนี้ะเหมือนชาวประมงก็ไปทอดแหนเนี่ยทอดแหเนี่ยมันถูกปลาตัวใหญ่ๆเข้าเนี่ย เจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไงมันก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแแหมันไปใช่ไมไม่เป็นเค่นั้นใจมันก็เร่งรโนนขึ้นเร็วระวังมาก บ, าบังคับแต่คบไปแต่คบมาอย่างนั้นแหละประเดี๋ยวปลาจะก็ออกไปจากแขหจ้ะเพอไปแต่คบมันแรงเท่าเกินไป ยังนั้นไอ้โบราณท่านพูดถึงเรื่องอันนี้แต่มาค่อยๆทำมันแต่อย่าไปอย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆคลามันไปอืมค่อยๆคลามันไปอืมค่อยๆคลามันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะอย่าปล่อยให้มันอืมหรืออย่าไม่อยากรู้มันต้องรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทามันไปเรื่อยๆเป็นปฏิปทา ขี้เกีกเยจแล้วก็ทำมันไม่ขี้เกียจแล้วก็ทำมันเรียกว่าการทำต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าว่าเราขยัน ม, มันก็ขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีอย่างนี้เมื่อขยันแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรมากมายนะแต่ว่าเราทำขยันไปมากๆในถูกทางมันก็นานๆไปเพราะไม่สงบไม่ระงับนะืม ที่นี่มันก็จะให้ความเห็นอย่างนั้นมันก็จะวกกลับมาหาตัวเราเองว่าเรานี้มีบุญน้อยหรือมีวาชนาน้อยหรือคิดว่ามนุษย์ในโลกนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ขอถอนออกไปก็ได้อืมนี่นี่ตรงนี้ต้องใช้ความระวัตระวงังมีขันติความอดทนเราทําไปเรื่อยๆเมื่อปลาตัวใหญ่ๆค่อยๆทาไปค่อยคลํา ม, มันไปเรื่อยๆนะ ถ้าเราอืมถ้าเราคำไปเรื่อยเนี่ยปลามันก็ไม่ดิ้งแรงค่อยๆไปเรื่อยแต่มันไม่หยุดเนี่ยเราผักมันไปเรื่อยนานๆปลาก็หมดกําลังอืมถ้าปลาหมดกําลังนะ่ะอเห็นไหมมันก็จับง่ายมันก็จับง่ายเอาที่ถนัดถนัดมันก็จับมันง่ายอืมถ้าเราเรียบจนเกินไปปลามันก็วิง่งออกจากแหนะฉะนั้น โดยมากก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราเพิจารณาตามพื้นเพนของเราอ่ะเนว่าเราไม่มีความรู้ในทางอื่นไม่มีความรู้ในปริยัตไม่มีความรู้ในอะไรเที่ยมันเกิดขึ้ น, นก็ความรู้อันเก่าแล้วนั่นแหละพลื้นเพอันเก่าแล้วนั่นแหละของเก่านะคือธรรมชาติของจิตมันมีของมันอยู่ละถึงว่าเราจะไปเรียนรู้มั น, ม, นมันก็มีอยู่ ถึงว่าเราไม่รู้มันมันก็มีอยู่มันมีอยู่ น, นั้นเนี่ยอย่างเอธรรมะที่ท่านพูดเลยว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนี่นี่มันถูกเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นอืออันนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันในที่แพรงไปที่ไหนมันเป็นอย่า ง, งนะั้นมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจในะสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างไร นี่เท่าไห้่การพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติไม่มีพื้นปริยัติรู้จิตผมเปพูดว่าพยายามพยายามผ่านจิตเจ้าของพยายามพูดกับจิตเจ้าของมันจริงดูเรื่องมันค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงที่มันมันก็ไปอยู่อย่างนั้นทำไปครูบาอาจารย์บางท่านท่านไปบอกเออทาไปไเรื่อย ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดทำไปเรื่อยๆนี่อ <c> อ <oughs> อันนี้ถ้าว่าถ้ามาเราคิดเออจะทำไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องมันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไม่ถูกที่มันมันจะรู้อะไรบอกจะทำไปเรื่อยๆอย่างงี้เป็นต้น <c oughs> คือการกระทำไปเรื่อยๆการกระทำไม่หยุดนะ มันจกต้องเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราทํานั่นเนี่ยในเวลานั้นมันก็ยังไม่เกิดความรู้สึกนึกคิดไม่เกิดผลประโยชน์ผมเคยเล่าให้ฟังมันกันกายบุรุษไปสีไฟอะเอาไม้ลาปอสองซี่หรือไม้ไผ่สองสี่ถ้าว่าไฟอยู่ที่นี่เอาไม้ไผ่สองซี่ะลําปอสองซี่เนี่ยสีกันเข้าไป ท่านบอกว่าไฟอยู่ตรงนี้เราก็ามาทำนะจับไม้ไผ่สองสี่หรือลาปอสองสี่มาสีเข้าไปใจเรามันร้อนเราทำงานนั่นนั่นสีไปเรื่อยไปไอ้ใจมันก็ไม่หยุดอยากจะให้มันเป็นไฟอยาะใ้มันเป็นไฟอยู่เรื่อยเื่อย ไฟนะั้นมันก็ไม่เกิดนี่อนี่ยเรีก็เกิดความขี้เกียจแรียกพักไป่น้อยคิดสักพักนึ่งเอาอีกสิห น, นะาก็เอาอีกมันก็เดินช้าไปไปพักผ่อนแล้วก็อความร้อนมันก็หายไปคือมันไม่ติดต่อกันนี่เนี่ทำไปทำไปเรือร่อยไปเงี้ยเหนื่อยก็หยุดนะถ้ามีเต่นึ่อย่างเดียวมันก็พอแต่ไม่ขี้เกียจมันไปปนกันด้วย เออมันก็เลยไปกันใหญ่ยางไงบุรุษนั่นก็หาว่าไฟไม่มีในทีน่นี้นี่ยก็ทิ้งมันไปใช่ไมไม่เจอไฟก็ไปประกาศว่าไฟทำงี้ไม่ได้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาได้ทำแล้วนี่ไอ้ความเป็นจริงทำก็จริงเลยแต่ว่าไอ้ความร้อนยังไ่สมรุนกันมันก็ไม่เกิดเป็นไฟให้เราในความเป็นจริงนั้นไฟนั้นมันมีอยู่ แต่เราทำไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันแหละคือความร้อนมันไม่สมดุลกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ยางนี้คือเกิดความท้อแท้เึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเนี่ยก็ละอันนี้ไปทำมาน้่นด้วยไปอันนี้ก็ชันใดเหมือนกั น, นการกระทานี่ก็เรียกว่าเหมือนปฏิปทาทางกายเนี่ยทางใจสองอย่างนี่มันพร้อมกัน ใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพืนเทมันเป็นคนมีเกียรติทั้งนั้นเราพุทธเจ้าท่านคนมีคนมีึิงเกียรติทั้งนั้นแต่ท่านมันมีปัญญาหลายอืมทุกองค์พระอรหันต์ก็มอนกันฉันนั้นเมื่อยังเป็นพุทธชนอยู่ก็เหมือนแต่เรานี่มันคิดไม่ถูกมันถึงเป็นพุทธชนอยู่อย่างนั้น เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งเรียกวุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากเป็นต้นมันก็ไม่วุ่นวายอีกอันหนึ่งมันก็ดีใจอีกอันหนึ่งอย่างนี้ มันผสมประสีกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเช่นว่าพระวินัยที่เราฟังฟังกันไปเนี่ยรู้แล้วมันก็เป็นของยากจำเป็นจะต้องรักษาชี้ขาวทบททุกอย่าง ไปท่องดูทุกอย่างตรวจ ด, ดูสินของเจ้าของต้องไปตรวจ ด, ดูทั้งทุกสีขาบทอืเมื่อคิดไปแล้วมันก็โอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบไปว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านสอนในพิจนากายอย่างเจษาโลมาหน้าขาทันตาตาโจรมิจิกายใช่ไหมเนี่ยนะลองลองสิ มันเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นเน่ยที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรกกันเนี่ยเรื่องกายทั้งนั้นเนี่ยท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ยอืมถ้าหากว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไป เ, เพราะว่าอะไรมันเหมือนกัน ถ้าหากว่าเราเห็นชัดเฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านี้ครับจะไมเห็นชัดนะมันก็หมดสงสัยนี่เพราะว่ารูปนามเนี่ยมันเหมือนกันถึงนั้นอืมมันเหมือนกันถึงนั้นถ้าเห็นชัดในตัวเราตัวตั ว, ตวเราคนเดียวคนในโลกเนี่ยเฉพาะร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาอะ อืมเนี่ ย, ยถ้าเราคิดได้แค่นี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดแค่นี้ภาระเราก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาล น, นี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากถึงเว่าเราคิดแค่นั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินยัยเรานี่ก็ระบวนการอ่านที่ข่าบทไม่รู้ว่าทะเลโกรธที่ข่าวบทเนี่ยตามความจริงมันอะ ถ้าเราจะไปคิดดูอืมแล้วตามใจของเราก็นึกนว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกขีขาบทดมันมากเหลือเกินอย่างนี้เฉพาะอาจารย์จำราตั้งให้ตรวจ ด, ดูสินให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปได้ไล่โกรธที่ขาบสถให้รู้หมดมันจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ใ้ความเข้าใจเราเป็ น, ปนอย่างนั้น ยังท่านใน้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกคนนี่ก็เข้าใจว่าจะต้องไปดูคนทุกคนมันถึงจะรู้คนทุกคนอย่างนี้มันก็มากแา่นั้นแหละนะมันก็มากนี่คือมันตรงไปนี่ครับพูดโดยตรงไปนะตามตำราก็ตรงไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเราตรงไปอย่างนั้นเนะี่ย ไอ้ความเป็นจริงในเทวียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวครับหมดศรัทธาเหมือนกันอืมหมดศรัทธาเหมือนกันนั่นเดียววามันยังไม่เกิดปัญญาครับถ้ามันเกิดปัญญาแล้วก็คนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวแล้วก็พิจารณาเราคนคนเดียวกลว่าเพราะเรามีรูปเพราะเรามีน้ําลักษณะของรูปน้ํามันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยมันเห็นใจนั้น ภาระที่เราจะต้องคิดมันก็น้อยดวงก็เพราะมันอันเดียวกันอือย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงอัตโนโจทยันตังจงเตือนตนด้วยตนเด้งให้เตือนเจ้าของเนี่ยไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เห็นกันหมดทุกคนเพราะมันอันเดียวกันเริษัทอันเดียวกันนี่มันยี่ห่ออันเดียวกันนั่นืม แต่มันลงสีสันฐานมันแถานั้นเนี่แต่ยี่ห้อมันอันเดียวกันอืคล้ายๆยาทันใจยาปวดหายนี่นะครับเป็นต้นมันก็มีลักษณะรักษาโรคเหมือนๆกันแต่มันเปลี่ยนมาเป็นยาปวดหายแต่ว่ามันเปลี่ยนอันนึงว่าทันใจไอความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่คนละอย่างหรอกมันมาทําจุดของมันคือให้แก้ปวดเหมือนกันแถวนั้น อันนี้ไอ้ความเห็นแค่ น, นี้มันก็ง่ายขึ้นครับมันก็ง่ายขึ้ น, นเรารวมรวมกันมานี่เรียกว่าเราคลำ ม, มันไปนะครั้งแรกก็คํา ม, มันไปอย่างนั้นแหละคลำ ม, มันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้ น, นมันเกิดความฉลาดอยู่ในการกระทํากระทา ไ, ไปเรื่อยๆทำไปจนกว่ามันเกิดความเห็นนี่กระทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงของมันจริงๆ ให้ความเป็นจริงนั่นปริยัตินี่ยครับตาเรานี่ก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติอย่งนั้นมันรู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นมันก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันติดอยู่ในรูปไม่รู้จัดทางออกเสียง <dan> เราก็รู้ว่ามันเป็นเสียงอย่างนั้นแต่เราก็ ไปติดอยู่ในเสียงกันนั้นอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารมีเนี่ยมันก็ถึงเป็นบ่วงนะ่เอสําหรับเกาะสําหรับเกี่ยวเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในตัวของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นออืมแล้วก็คําไปอย่างนั้นนะ่ะอีกวันหนึ่งมันต้องเกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาฮะ เป็นของแปลกๆเพราะอะไรเพราะการการะทำไม่หยุดเพราะกำหนดไม่หยุดนั่นเองนะนานไปนานไปพอสมควรกับนิสัยปัจจัยของคนเราเมื่อก็เกิดความรู้สึกอย่างองื่นที่เรียกว่าธรรมวิจยะมันจะเดินโพดชงเองมันเนี่ยโพดชงทั้งหมดมันจะเกิดอยู่อย่างนี้สอดส่องทมไป โพดสังโคสตีสังคาโตธรร ม, มายังวิจโยตถะบิดยมปีติปัสจทิพตังโคจตตถาปมาสุเปียขาโพดสังคาเนี่เบื้องแรกมันเกิดอย่างนี้ค่ะอาการนี้ไม่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นโพดชงเพืโพดชงนั้นก็ทั้งหมดน่ะก็เป็นองค์ชีกัจทรูธรรมะทั้งนั้นเไอโพดชงเนี่ยค่ะ ถ้าเราได้เรียนรู้มันก็รู้ตามปริยัติเหมือนกันแต่ไม่มองเห็นไหวที่มันเกิดในใจของเราไม่เห็นว่มันเป็นความคิดของเราใช่ไมไม่เห็นมันเป็นพุชงอืมไอ้ความเป็นจริงพุทชงเนี้ยมันเกิดมาในลักษณะอันนี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติผู้รู้ทั้งหลายจึงบัญญัติเป็นข้อความออกมาอืมเป็นปริยัติปริยัตินี้มันก็เกิดจากปฏิบัติมา แต่มันถอนตัวออกมาเป็นปริยัติเป็นตัวหนังสืออะไรตัวอะไรเป็นคำพูดไปมันก็เป็นไปภาษาอื่นอีกเนี่แต่ว่าโพชงเกตเนะี่ยมันก็หายไปหายไปเลยที่เราไม่รู้มันนะเนะี่ยแต่ความเป็นจริงเนะี่ยก็มันมีอยู่ในนีนน้บนนะ่ะโพชังโคสัจจังคาโตธรรมานังเบจะโยนะีะครับ ม, มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเกิดธรรมิจยะเกิดการพินิจิารณาเกิดปีติ เกิดความเพียรเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่มันจะเกิดไปตามระดับอันนี้พ่อการกระทานี่ถ้ามันเกิดในการกระทานี่ทั้งหมดมันก็เป็นองค์เป็นองค์ที่กัตถรู้ธรรมะอย่างนี้นี่มันเป็นอาการอาการนี่มันมีอยู่ถ้าทำไปถูกทางมันไม่ต้องเกิดอาการอย่างนี้ธรรมะมันก็ต้องมีอยู่ในนี้ครับยางงั้นท่านจึงว่าค่อยๆคลำไป ไปอยพิจารณาอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้อืย่างนั้นอืมออย่างท่านอาจารย์จยันรไปเรียนบาลีแปลธรรมบทรกรับเขาไม่ได้ครับเลยนึกถึงว่าพระกรรมฐานถ่านั่งแนี่มันสะอาดมันเนินแจ้งมันรู้มันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่วัดต้องปัวคงเราเนี่ยท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติแต่ไปแปลบาลี ท่านนึกว่ามันจะรู้อย่างนั้นมันจะเห็นไปอย่างนั้นท่านก็มาปฏิบัตินี่ผมก็ได้อธิบายอะไรต่างๆให้ท่านฟังโอท่านหลงในการเห็นไม่รู้ในการเห็นเห็นมันเป็นไงมันเป็นคำพูดอันเดียวการเห็นเนี่ยเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งเห็นจากการอ่านปริยัติอย่างหนึง่งเรียนปริยัติอย่างห น, นึ่ง มันก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่าการทางนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นในหลักปฏิบัติเห็นในมันละครับมันละหรือมันยังละไม่หมดมันก็ต้องพยายามพยายามละไม่ใช่ว่ามันเฉยๆครับมีความโรคเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านไม่วางมันครับท่อนไม่วางมัน พิรณาแดนที่มันจะเกิดแต่มันเกิดมาแลว้วกับพิรณาโทษมันในมันเห็นด้วยจะก็เห็นโทษในการกระทําเช่นนั้นและก็เห็นประโยชน์ในการละสิ่งตั้งหลายเหล่านั้นไอ้ความเห็นนนี่เขาไม่ใช่มันอยู่ในโน้นมันอยู่ในจิตของเจ้าของที่มันผ่องใสนี่เนี่ยอื่นไกลยังงั้นพวกปริยัติหรือพวกปฏิบัติเนี่พูดมันยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันโดยมากกว่าเขาจะโทษ่าไปปฏิบัติเนี่พูดไม่มีหลักฐานนี่ พูจะมีลากฐานนี่พูดไปตามความเห็นของตนชอบโทษกันอย่างนั้นอไอความเป็นจริงเนี่ยเนี่ ย, ยมันก็อันดุนเดียวกันนั่นแหละครับมันดุนเดียวกันนั่นแหละเหมือนเหมือนหน้ามือกับหลังมือของเราอ่ะนะเมื่อเราคว่มลงนะหน้ามือมันก็หายไปครับไม่ใช่ว่ามันหายไปที่ไหนแล้วครับมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่เห็นไม่เห็นพอเนี่ยมันบังอยู่นะ ล้างมือมันบังอยู่ก็ไม่เห็นคําที่ว่าไม่เห็นไม่ใช่มันเสียหายไปที่ไหนหรอกไม่ว่ามันวิ่งไปที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้นมาล้างมือมันก็หายไปไม่มีมันไม่หายไปที่ไหนครับมันหายอยู่ข้างล่างนั่นเองนะอย่างนี้ให้เรามีความเห็นอย่างนี้ปฏิบัติ นึกว่ามันหายไปไหนก็ไปมองหาทางอื่นใช่ว่ามันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไปมองทางอื่นถึงเรียนรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นครับจะหาอะไรมันก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นก็เรียกว่าละครับถอนอุปทานมันมีความไม่มีความยึดหรือมันมีความยึดก็มันบรรเทาลงนี่ มันไปคนได้เงีอย่างนี้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติชอบอย่างนี้หลงอย่างนี้ครับอยากได้ไงง่ายอยากได้ตามใจของเราจะไปดูอื่นด้วยครับดูร่างกายเรานี่แหละครับมันได้ดังใจเราไหมเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันได้ตามใจเราหรือเปล่ า, า น, นี่ครับ เรื่องกายนี่ก็มันกันเรื่องจิตนี่ก็มันกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นครับดังนั้นคนจึงมองข้ามมันแค่อะไรมันไม่ถูกใจเรามันก็ทิ้งมันไปอะไรไม่ชอบใจเราก็ทิ้งมันเท่านั้นเนี่ยเราหารู้ไมมว่าอันสิ่งที่เราชอบใจนั้นหรือไม่ชอบใจนั้นอันใดผิดหรือถูกเราไม่รู้จักรู้แต่พอเพียงว่าอันใดไม่ชอบอันนั้นแหละมันผิดไม่ถูกเพราะเราไม่ชอบอืม อันใดที่เราชอบแล้วอันนั้นเนี่ยมันถูกเรียกเพราะเราชอบนี่อันนี้ให้คำนึงถึงอ่ะทีข้านักขาพรามดูสิทีขนักขาพรามเนี่ยพรามเล็ยบยาวๆอ่ะทีพระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิดสะโกหรืออะไรเนี่ยแต่พระสรีบุตรอ่ะพรามแก<ล>มีความเห็นว่า ด้วยปัญญาของแกเรื่องทิฏฐิทั้งสามนั่นน่ะทิฏฐิคือความเห็นนั่นน่ะความเห็นอย่างไรแค่ก่อนไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาเขากอไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาขอไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะคือเอาเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรรมเนี่ยความเห็นพรามนั้นเน่ะเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก เมื ui, k k ra, ่อพระพุทธเจ้าลงมาจากรอยคิดตกูดพระปัทถีบุตรเนี่ยก็เข้าเรียนกราบเรียนถามเรื่องทิฏติทั้งสามเนี่ยอืต่อหน้าพระพุทธเจ้าชิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็มันเป็นบุญที่เป็นธรรมะครับธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมานี่ครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็วิ่งไปตามปริยัติการภาวนา ข้อนั่นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอะไรเราต้องวิ่งไปตามเนี้ถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอ่ะอันนี้มันก็เป็นธรรมะเมือนการกับมันก็ดึกมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมานี้ถ้าหากว่าเรามีปัญญาและพิจารณนานั่นแหละมันก็เป็นปริยัติโดยการทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปริยัติไอ้ที่ธรรมชาติตอนนี้มันเป็นปริยัติ เมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดเคยมาอย่างไรนะครับพระพุทธเจ้าจันทรจึงให้พิจารณาอารมณ์ออาศัยอันนี้เป็นปริยัติสําหรับผู้ภาวนาไม่มีความรู้ในการปริยัตินี่นต้องอาศัยอันนี้ครับอาศัยความจริงอันนี้อืมทุกอย่างมันก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันนี ยังงั้นคนเรียนปริยัติก็ดีคนไม่เรียนปริยัติก็ดีนะฮะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ผมว่าแหละควมมามกระทำพยายามทำให้การปฏิบัติของเรานะ่มีความเพียรมีการติความอดทนสม่ำเสมอมันมีสติเป็นหลัก คือความะระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่นี่เรานอนอยู่นี่ระรึกได้ไหมอิเดยาบทอรไรเราอยู่จะต้องให้รู้ตัวว่าในเวลาที่เราอยู่นี่เมื่อะระลึกได้ถึงวันมันติดกันนะ น, นี่เนี่ยมันไม่มันไม่ห่างไกลกันนะนสติความะระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว ถ้ามันเร็วมันจะเกิดพุบมาเดียวกันเลยสองอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไร เ, เมื่อความาระลึกเกิดขึ้นมาความรู้สึกเนะี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเลยความาระลึกได้เกิดขึ้นมาเมื่อมันเร็วที่สุดนะแล้วมันก็เมื่อเราตั้งมั่นอยู่มันก็รู้สึกง่ายๆคือความาระลึกได้เราอยู่ยังไงเป็นอะไรอยู่อย่างนี้เป็นสติของเราเนะี่ย เมื่อมีสติเมื่อไรแล้วก็รู้ตัวอยู่เหมือนนั้นที่นี่ก็มีปัญญาบางทีนี่มันปัญญามันน้อยมามาค่อยทันมีสติอยู่ก็จริงมีความรู้สึกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันผิดของมันได้เอ๊มันผิดของมันได้ไอตัวปัญญานี่มันจะวิ่งเข้ามาอีก มาช่วยที่ว่าสติะระึกได้สัมปัญญาความรู้ตัวมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะนอบรมปัญญารื่อยอารมณ์ของมีปัศฉนาธรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่เราก็รู้มันอยู่ะระลึกได้อะระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมายังไงเราก็ระลึกได้มันอยู่แต่เราแห่เห็นว่าอานิจจังเป็นพื้นเป็นหลกฐานนี่ ทุกขังมันเป็นทุกขนานัตตาอันนี้มันก็ไม่ใจตัวตนทั้งนั้นอ่ะมันสักแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปของมันเช่นนั้นเทนั้นอ่ไอ้คนหลงจึงไปทําโทษกับมันจึงใช่สิ่งทั้งหลายนี่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพร้อมอยู่แล้วนะ่ะ ไอ้ความรู้สึกหรือความรู้ลึกเนี้มันจะติดติดกันเป็นระดับกันอืแต่ปัญญานั้นยังไม่ผ่องสายเมื่อเขามาถึงแล้วมันก็สติเนี่ไม่ใช่ว่ามันถูกไปทุกอย่างความะระลึกได้สันปัญญาหนี่ความรู้ตักวก็เห็นว่าไม่ไม่ถูกทุกอย่างปัญญาก็ะต้องมาช่วยอมีสติอย่างใดมีความรู้สึกอย่างไร หือออกมันง่ายๆก็ไปขอนี่ไหววิาตีที่มันเกิดขึ้นนี่ก็ตามมันเถอะไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ช่างมันเถอะมันเป็นธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานต้านทานมันเลยวิชาตีนี้มันก็ไม่แน่นอนว่ามันรื้อๆอย่างนี้จัมปัญญะความรู้ตัวนี้ อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนการร่วมจะเป็นของไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงถ้าเราไม่รู้มันเนี่ยอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยากจะตามปรานถนาของเรามันก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรานธนาของเราอยากจะให้มันอยู่อย่างเนี้ยอือันนี้มันอำนาจจิตของเจ้าของขึ้นสุข ก, กับหลม สกปรกด้วยความไม่รู้จักนันน้อืมันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้ถ้าหาว่าปัญญาตัวปัญญาก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเช่นว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาปอย่างนี้ว่าเราได้ยินที่อะไรก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอย่างนี้เป็นต้น คือไอ้ความยึดมั่นถือมันมันเต็มอยู่ในใจของเราแล้วนี่คนระับดังนั้นพระพธธุทธเจ้าจะใจที่คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานี้เรื่องของไม่เที่ยงเป็นดับวินิจฉัยคนนั้นของไม่เที่ยงนี่ทารายยึดมันมันก็าพาเราทุกข์ทําไมมันจึงทุกข์าสิ่งทั้งหลายเลยไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะไปจัดมัน อาตามใจเขาจะของทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีอํานาจอย่างนั้นข้อจิตของเรานี่ไม่ไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยเราคิดชอบอย่างไรไม่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นไม่จะชอบใจอย่างไรมันจะเป็นธรรมะอย่างนั้นความผลทุกข์ตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เรื่องกายก็เรื่องจิตสัมผัสเกินมาแล้วเรื่องจิตที่หลงมันก็ไม่มีความรู้ไปอย่าง ไอ้เรื่องจิตที่รู้เมื่อได้รับอารมณ์แล้วมันก็มีความรู้ไปอย่างหนี้ไอ้จิตที่มันรู้เป็นตัวมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแบบนี้นี่คณาที่วายปัญญาที่มันเกิดจนมันรู้จักไอ้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันมันมันมันตามงมไปหรือความโง่ของมันมันก็เลยว่าอืไม่เห็นเป็นอนิจจังโทกังขังกางกม เห็นจะพาะว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแหละอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้ยังนั้นจึงไม่เข้าถึงนธรรมะปัญญาไม่ามาเกิดถ้ามันเกิดเชนี่จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเจ้าคว้าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อตรับอารมณ์ทางหลายเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านจะเห็นเลย ถึงแม้เราจะชอบมันอยู่ตรวก็อันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเรากระิบอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์เพราะความที่มันเกิดดับอยู่เนี้ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่จิตไม่ใจตัวไม่ใ่ตนไม่ใจเราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าสักแสว่ายืนอยู่ตรงนี้ ย่างั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้หรอกอารมณ์มันมาม า, มาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกกันแหละมันวิ่งเข้ามาหาเราะอืถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกนะอืมเราก็วิ่งไปตามตัณหาวิ่งไปตามความอยากอยู่เท่านั้นเนอง อ, อยังงั้นจิตผู้ฝึกป ฏ, ฏิบัติทั้งหลายมันแยกไม่ได้มันก็ปนเปกันอยู่เรื่อยๆไปบางทีก็สุขบังบางทีก็ทุกข์บัง เนี่ยเป็นธรรมดาของมันบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างเพราะทําไมเพราะอันนี้เอาใจของเราเป็นดักว่าอะไรเราชอบเราเข้าใจอันนั้นว่ามันดีอารมณ์ที่เราไม่ชอบเราอารมณ์นั้นมันไม่ดียังนั้นมันจะห่างไกลจากธรรมะเมื่อห่ า, หางไกลจากธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนไอ้ความอยากมันก็เริ่งเข้ามาเนี่ยไอ้เพราะความหลงมันเต็มอยู่แล้ว ถ้าพูดเรื่องขิดมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้ก็ เ, เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตา <Ć> ถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะต้องพยายามอย่างนี้สับไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้ท่านบกว่าเป็นอารมณ์ของอิปัสตนาอารมณ์ของอิปัตตนานี่ก็แค่ค่ายเท่า เราควรรู้จักอารมณ์มั น, นี่อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจะอารมณ์ของอปัษนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้กับมันกันน่าจะต้องกำหนดอนาปาสติรวมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นราักฐานควบควบกิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มนันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทำตามจิตก็จะสงบนี่แสดงว่าอารมณ์ของกรรมฐาน สมาตาสมาานนี่มันมากแต่ความคิดของเราให้สงบนี่มันมากเหลือเกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูดิเราไปนั่งดูดิจะไปนั่งดูก็ได้ครับออาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่ให้เราสงบมันมากเหลือเกินมิจะนั่นท่านจึงว่าให้หาสมธาธนอันี้อารมณ์ให้ถูกใจของเราถูกจดิตของเราเช่นว่าเกษาโลมานาคาทังกาตะโจ ถ้านในพิจณากลับไปกลับม า, าบางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเจสาอย่างนี้โลมาหนาขาทันตาตะโจกหนังถ้าเราพูดพิจนาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจดิตของเราถ้าอะไรมมนถูกจดิตของเราเลยนะ่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราาหรับปราบกจดิตทั้งหลายมันให้มันเบาบางลงเช่นว่า มารณะสติคือการระลึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นอบางคนมันมีโรคมีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะราบาปมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสะรุดสังเวชโอยจนมันก็ตาย้รวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดถึงนั้น น, น, นี่จิตใจเราก็สะรุปจิตใจเราก็สังเวช ก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยนั่งก็สงบง่ายๆพราะมันถูกจริตของเราอืนี่กันนึกว่านี่ปัจจนาอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยถ้าถ้าไม่ถูกจริตน่ะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่สังเวชอันในที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยจังนั้นะมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่เคยจังเกต ทนี่จะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสํารับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะถ้าค่ามาถวายเราเนี่ยแล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยอ่ะแะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะ่ะมันจะรู้จากเอออะไรมาอะไรเราชอบเปรียบให้ฟังนะเอออะไรเราไม่ชอบนี่เคที่ยงเห็นว่าใจิตของของคนเป็นอย่างงังไง อะไรที่เราชอบมันก็ฉันอันนั้นเนี่ยเห็นว่ามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในสำรับนั้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากำหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกธาตุกับเราเแล้วก็เห็นในงานอย่างนี้กรรมาฐานที่สูกจริตของเราเช่นว่าอนาปาณสติอย่างนี้เป็นต้นคำนดรวมหายใจข้าออกอคืออันนี้มันก็สบายดีนะ จะไปทำอย่างอืงอ่นไม่สบายเ่พอนั่งคุบหลงกำนวดลมหายใจเข้าออกอเห็นชัดไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยวนี้ดีกว่ากนำนวดลมหายใจเข้าออกมันออกมันเข้าดอกมันเขาดูมันจะตรงนั้นแองคะ่ะดูนา น, านๆทำไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางกัญญาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆ เหมือนคนแล้วแต่มันห่างออกไปเป็นต้วไหนความผิดต่อกันมันก็น้อยก็ไม่มีอารมณ์ช่างดามันเกิดขึ้นมามันมีอยู่จะมันห่างไปเมื่อเราสนใจในอนาคตสติเนี้ยมันก็ง่ายเกิดนั่งสบายเนี่ยถ้าเราทําตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชํานาญในการกระทําของเราว่ารมมีมันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วมันจะคิดต่อไปว่า ถ้าเราทำไปแล้วน่ะแล้วมันจะเห็นว่าเอออารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างดีเสร็อย่างเนี้มันจะค่อยคิดตรงมันตามไปแตดละครั น, นมันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอือาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยอนี่ก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจ จะนอนหลับอยู่ก็หายใจลืมต้าขึ้นมันก็นหายใจนยถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงแม่นอนหลับอยู่มันก็ต้องกินอยู่เนี่ยนี่เร็วอาหารถ้าเราเห็นอนะี่ยโอ้พิจะนณาไปแล้วเอมอ ม, มันจะเกิดพระสัทธาขึ้นมาเออมันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้ออื อาหารคือข้าวข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีมันการแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้จินชั่วระยะสามสิบนาทีหรือถึงชั่วโมงหรือวันนึงเนี่ยมันจะไปเป็นอะไรอาหารต่างนอกระเรียกอาหารมันหยาบอาหารคือลมเนี่ยมันช่วระยะนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ไหนมันตายเนีย อืมอา้าวอทิตสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทียังงี้อา้าวหรือสิบนาทีหรือห้านาทียังนี้ก็ลองดูเอเนี่ยมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติเมันจะมีความรู้ขึ้นอย่างนี้แต่ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแตกมันมันแตกส ถ้าเราไมา่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเลยก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอา้ข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารนั่นนี่ถ้วยอะไรก็ซื้อมากินสำหรับอะไรก็ซื้อมันมาฮะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันนี่ยว่ามันเป็นอาหารพิเศษได้ซื้ออย่างนี้เป็นโต้นแต่ว่ามันปรีดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งเท่าอาหารอันนี้คือรม อันนี้ถ้าเราทําไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้หรือมันคิดต่อไปว่าลามเนี่ยเราก็กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามา ต, ต า, าติดต่อกันเรื่อยอย่างนี้เป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนเคลื่อนไว้ไปได้ไดก็เพราะลมอันนี้ แล้วยิ่งเพียนาไปมากทลายเป็นต้นลมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันขาดจากจะกรบุเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่จะอยู่เฉยหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพังร่างกายเราก็ได้นะเราจะงบนั่งอยู่เฉยตากรอบลมมันไม่ออกลมมันไม่เข้าแต่ว่าลมละเอีย е ดมันเกิดเกินมาแล้วนะ มันจะไปหล่อเรียงอะไรทางล่างกายทั้งไหนไหมเนี่ยทุกขุ้มขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดอืนี่มันก็เลี้ยงโดยวิธีอันนั้นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อกิจของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันเลยค่ะลมหายใจก่อจะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ธนวัตอย่าเพิ่งตกใจมันเอื้อ ถ้าอารมณ์ไม่มีจะทำไงจะกำหนดไหมกำหนวดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นอะรู้ที่ว่าอารมณ์ไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้กรรมฐานมาถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อ่ิมายเรื่องรมมันดีใจดีภาคมีจารเพขาะมันไปจนกว่าเรามีสัทธาเห็นชัดจริงๆอันนี้คือต้อนตอมัน ทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ยถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มกําลังของเราได้ด้วยๆคล้ายน้ําในโอน่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะแห้งไปแ้เอามาหยอดใส่เข้าไปเอ๊ะเอามาหยดใส่ไปด้วยถ้ามันจะแห้งเอามาหยอดใส่เพิ่มเข้าไปอตัวจัดน้ําที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตอยู่อนไม่ตายออืการกระทาเพียนกา ร, ททารประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้น อันนี้กลับมาเป็นปฏิปทาของเราที่นี่ก็เลยความสบายเรียกว่าสงบสงบจากอารมณ์คือเรามีอารมณ์เดียวคำที่ว่าอารมณ์เดียวนั่นก็นี่ก็ยากเหมือนกันคิดยากไม่อยากจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกให้ความเป็นจริงอารมณ์อื่นนั่นเข้ามาแทรก ถ้าเราคิดเนี่ยก็เป็นอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองแต่ถ้าจะเราที่ว่าพูดตามสัดส่วนที่เราเกิดมาผู้ชายเราก็เห็นผู้หญิงเราก็เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อเราแม่เรา น, นี่อันอื่นเราก็นึกไปก็ได้อันนั้นเป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้ชายก็นู่อยู่ แต่ผลที่สุดได้ก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนแม่ของเราหรือพ่อของเรานี่มันเป็นอารมณ์เดียวอยู่เนี้ยมันเป็นจุดอยู่อย่างนี้อย่างอื่นนั่นเรียกว่ามันเป็นอาการจิตเรื่องอาการของจิตนั่นน่ะมันเป็นไปตามสภาพมันหนึ่งนั้นเมื่อจะมาารรมาฐานในความสงบเกิดขึ้นจิตเจ้าก็โปรองใสตรงนั้นมันที่สงบไอ้สิ่งที่มันสงบนั่นอารมณ์มันก็จะน้อยลงไป จิตสงบแล้วนะการปีรญาปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมายกหรือความสงบมันเกิดขึ้นมากหรือความสบายมันเกิดขึ้นมากแล้วมันจะติดใช่ไหมันจะติดความสุขมันจะติดความสบายถ้ามันจะไปะยึดมั่นถือมั่นใช่พอดีเราก็ยกขึ้นมาไอ้ความสุขที่มันก็ไม่เที่ยงนะนะไอ้ความสุกข์ี่มันก็ไม่เที่ยงนะนี่ ความที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงของมันอย่าไปยึดมันถือมันมันเลยไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทําไมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแล้วอืมมันจะเห็นแต่ภาวะทางไหนแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเหมือนเกลียวเหมือนน็อตเข้าในสมุนเกลียวกันไปทั้งหัว เมื่อไปเห็นเทนนี้มันก็คลายออกมาเบี้ยวของน็อตเนี่ยคลอยมันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นต่อมาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นเนี่ยมันตลายเออตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นว่ามันแน่นอนทั้งนั้นนีงมันก็ตึงสิตึงมันก็ทุกข์สิมันตึงมากเป็นทางตึงมากอย่างนั้นเราก็ตานความเห็นออกมาหย่อนลงมากะคลายออกมา ทำไมมันคลายวะไหนเพราะว่ามันตึงไปเว่าอันนั้นมันเป็นอย่างไงมันเป็นของไม่แน่นอนไอ้ความายึดมั่นถือมั่นคือเดียกว่ามันคลายเปียวมันออกมาเยมันไม่ตายตัวของมันอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นอะเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างหนึ่งเกียกว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะจะลดมาได้ยังไง มันก็คิดต้องมาอย่างนั้นยึดก็ยึดอยู่ขั้นจะลดมันได้ยังไงเนี่ยก็ยดลดได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะอาศัยดักคือเอื้องที่ว่ามันไม่เที่ยงออสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเนีถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นันนะ่ะที่เราก็ทบอยู่มันก็อยหมดตะคาไป ค่อยหมดราคาไปทลายเป็นต้นแล้วก็บันเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นอืเนียมันเทาเรื่อยๆตรงไปอย่าง น, นัเรียกว่าคลายคลายเคลียมันดอกหมุนซ้ายไม่ใช่หมุนตะังขวานั่นก็ไม่ถึงอุปทานนั่นก็ถอนมาเรื่อยๆนี่วเวลาเห็นชัดว่าเรื่องอันนี้จังทุกขังอนนาจานในสกนลร่างกายนี้ในรูปในนามนในโลกนี้ไม่เป็นอย่างนี้ ออืมันก็เกิดความเบื่อเบือ่อคําที่ว่าเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะ่ะใ้ความที่เราว่ามันเบื่อกป็นเือไม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมันด้วยถ้าเห็นเท่าอะไรก็มันสมนำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยอืเบื่อมันไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมัน ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันหนื่อเบื่อเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นเบื่อนะมีอุปาทานรู้ไม่ทั่วถึงมันยินย่งเกิดความจีดฉาหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อมันเองเบื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเห็นป่ะ น, นี้มันไม่เที่ยงเนี่ย ที่ชอบใจเกิดขึ้นมาเก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อ้วยวิธีอย่างนี้เกิดเป็นนิพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์นั้นมมไม่ไปสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่น ไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนในมันเป็นเหตุทุกเกิดเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกทุกที่มันที่มันเกิดมาที่มันไม่รู้จักสุขที่มันไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกนั้นไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนี่มันเป็นเหตุให้ทุกมันเกิดนี่นี่ ความรู้ไม่จำมั่งเสมอในอารมณ์นั่นเน่ยไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมัน่นถือมันมันเลยทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจา้าเขาเลยให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์เนี่จึงในรู้ว่าพระพุทธเจา้าท่ทานในสอนว่าที่เราภาวนากันนี่ทิ่ยิ่งนี่นให้รู้จากทุกข์ให้รู้จะเกิดเหตุเกิดของทุกข์ ให้รู้ความหลับทุกให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกรู้ของสี่อย่างนี้เท่านั้นออ่ะรู้ถ้าสิ่งทั้งหลายมันรู้เหล่านี้น่ะไอ้ทุกตัวเกิดมาแล้วก็รู้แล้ว่ะเมื่อรู้ตัวทุกให้ทุกเดี๋ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นมา ล, ายลอยๆ เ, เมื่ออยากใจทุกหลับไปก็ไปตาดเหตมันนี่นเสีย นี่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเ พ, พ, พราะว่าเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่รู้จักมันแล้ว น, ะะนี่ทุกคนคนข์ e มันเกิดเพราะเราอย่างนี้ไปสําคัญมันหมายมันอย่างนี้ทุกข์มันก็เกิดท่านหมายรู้จัดทุกข์รู้จะขตดเกิดทุกข์รู้จะความรดับทุกข์ ถ้ารู้จากความดับทุกข์ชนนี้แล้วก็คลายเคลียวมันลงมาจะดีมุนทางซ้ายมันจะไปหมุนทางขวาต่อไปดีนี่คือมันขับไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนงั้นนะี่ยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ถอนตัวมาออนี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จกักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คือมัอ่ม เป็นมรรคต่อมามันเป็นมรรคกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาชีโวสัมมากรรมันตัวไปตามเรื่องมันเนี่ยเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะพอไปหลับทุกได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้ น, นมันก็ตรงต่อกับไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญานี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้นเรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่ เื่อเราเห็นชัดเช่นนี้สิ่งท่านสี่ประการนี้แหละที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจใจมันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธร ร, รมมองไปไข้างไหลข้างหน้าข้างขวาเนี่ยข้างหน้าข้างหลังมันเป็นสัจธรรมทางนั้นมีความจริงของมันทางนั้นดังนั้นผู้บรรูุ้ธรรมะแลอผู้รู้จักธรรมะ แต่นั่งที่ไหนก็มีธรรมทั้งนั้นแหละรู้จักธรรมถึงมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่แน่มัน ม, มีราคาทั้งนั้นแหละราคาสิ่งทางใดเร่องนี้มันหมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปพอ ร, รู้มันด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความหลับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองมองมองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยออใครจะนินทา ม, ม่เคยเป็นสัจธรรมกันครัใครจะสเสนอเสริมม่เคยเป็นสัจธรรมทั้งนั้นนะที่นี้มันจะเรือแต่อาการอาการของจิต ท, ที่มันอยากคืออะไรมันสะสมมาแล้วแต่นานๆ ถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้แต่มันมันวางไงมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ว่าทุกข์คือรู้ตามเป็นจริงมันรู้ถึงมันจ้ะถ้ารู้ถึงมันมันก็วางสุขถ้ารู้ถึงมันมันก็วางทุกข์ถ้าเราไม่รู้ถึงมันเร้ก็ตะคุบมันก็จับให้มันแน่นแล้วมันก็กัดเราแต่นั่นเนี่ยแต่คุบมันดูส